ต่ลูกศิษย์ยังไงลูกศิษย์มีหน้าที่ต่ อ, อุปชาอย่างไรนนี่มีเหมือนกันท่านะเรียกว่าข้อวัดเป็นข้อวัดปฏิบัติตา่างๆพระวินัยของพระบางส่วนนี่นะคารวะรับมาใชนะ้คนไทยรับมาใช้อย่างเสขียวัดคนไทยรับมาใช้ความจริงในศีน2องร้ี่สมันมีเสขียวัตรอยู่75ข้อใช่ไหมของฝ่ายวิชาการ 75หข้อเป็นเรื่องระเบียบแบบแผนต่างๆการวางตัวเนะช่นเคี้ยวอาหารนะไม่เคี้ยวดังจับจับจับเราก็เป็นอย่างเป็นเราก็ถือศีลอย่างเนี้ยนะไม่สดน้ำแกงดังซุดสูดอะไรเงี้ยนะนี่วินัยมีเยอะนะกินแล้วก็ไม่ได้ทำข้าวหกเลือนกลาดลยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่พูดไป้อยหน้ า, 100าลยอยตาอะไรเงี้ยนะทำไม่ได้คารวะก็มีวิไวินัยอย่างนี้เอามาใช้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 36วันก่อนท่านจะมารณนาภาพเข้าไปกราบท่านท่านก็เทศเทศให้ฟังตั้งแต่บ่ายๆจนค่ำเลยนะทุ่มสองทุ่มเลยเนะี่ยท่านหอบเลยหอบแฮกแฮ ก, กนะเราสงสารท่านมากเลยบอกหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับแนละ้วจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้ยังกลับไม่ได้นะจาไว้นะจำไว้พบผู้รูู้ใหู้ทู้าลายผูู้รูู้้พบจู้ตใหู้ทําลายจิตจึงู้งูููููููููููููููููููููููููููููู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้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 กลาบท่านนะออกมาจากท่านนะโอ้ใจนะอะไรอววรท่านนะหันไปดูเรื่อยๆเดินมาไม่กี่ก้าวหันไปมองท่านอีกทีนะไม่เคยเป็นนะแต่ก่อนเวลาไปหาครูบาอาจารย์เวลาลาไลา้ลาเลยต่างคนต่างแยกย้ายไม่หันไปมองเลยนะเคารพรักครูบาอาจารย์ยังไงก็ไม่มีนะเวียนๆดูไม่มีนะโอ้คราวนั้นใจมันอะไรอววร น, นะไม่นานท่านก็มรณภาพไปนั่นเป็นการเห็นท่านครั้งสุดท้ายนะท่านสอนนะในนี้ปีสองหกนะ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 หลวงพ่อโดนสอนท่านบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรเพราะผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพื่อหลวงพ่อพุทธท่านขยายความให้หลวงพ่อนิดนึงท่านกลัวเราจะไปทําลายแบบระเบิดเปลี่ยงเปลีนะ่ยนพลังพลังนั่นเดี๋ยวเพ่งให้มันระเบิดนะเรองบ้าไปเลยท่านก็บอกหลวงพ่อมาประโยคหนึ่งนะเป็นคีย์ของการปฏิบัติ ต, ตรงเนี้ยท่านบอกการทําลายผู้รู้หรือการทําลายจิตก็คือการไม่ยึดถือมันนั่นเอง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 ค่อยๆฝึกตัวเองทุกวันทุกวันสังเกตตัวเองทุกวันทุกวันไปนะภาวนาเป็นฆราวาสไม่จําเป็นต้องช้าว่าพระนะขั้นต้นๆเ น, น, นี้ยหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นฆราวาสเนี่ยงานหนักนะต่นนั้นอยู่สภาความมั่นคงไม่เหมือนองค์การโทรศัพท์อนะงค์การโทรศัพท์งานเบากว่าเยอะเลยหนักเป็นช่วงๆนะตอนอยู่สภาความมั่นคงนะงานเครียดยางานหนัก ตอนนั้นทั้งๆที่งานหนักนะเราก็ดูของเราได้ใจมันเครียดขึ้นมาเราก็ดูนะเป็นไงเราก็คอยดูของเราได้ไม่ได้ช้าพาวนาอยู่ไม่กี่เดือนหนอกเคหาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกวพึ่งตัวเองได้แล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกพึ่งตัวเองได้ลไม่ต้องมาหาท่านก็ได้เราก็ไปนะท่านบอกไม่ต้องมาหาท่านก็ได้นี่ท่านไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมาหาอาตมาอีก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 ถ้ามีฉันทะก็จะมีวิริยะถ้ามีวิริยะจะมีจิตตะถ้ามีจิตตะจะมีวิมังสาใช่ไหมจะสัมพันธ์กันอย่างนี้ตลอดเลยนั่นธรรมะท่านไม่ใช่อยู่โดดๆนะธรรมะของท่านเรียงร้อยไปหมดเลยเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะธรรมะทั้งหมดเนี่ยรวมพลังลงมาทั้งหมดเลยรวมเข้าที่เดียวกันเลยรวมยในจุดเดียวกันเลยในขณะเดียวกันรวมลงที่จิตในขณะเดียวกันเลยเป็นะเกิดพลังที่มหาศาลขุดลากถอนข น, นกิเลสได้